มันไม่ต้องหนักใจนะพระพุทธเจ้าบอกพระเจ้ามหานามะว่าไม่ต้องหนักใจหรอกก็อยากกลัวเลยอยากกลัวเลยก็คือไม่ต้องหนักใจไม่ต้องกังวลใจแล้วแต่นั่นท่านเป็นพระโสดาบันแล้วแต่คนที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยพรองบอกว่าไงควรแล้วที่จะหนักใจว่างั้นฮะถ้าไฟไหมบนศรีรษะควรเธอควรทํำยังไงนะถ้าไฟไหมผ้าไฟลุกท่วมเลยทํำยังไงก็สังสัยตัวนั้นต่อไปออกไม่ มันผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัจยังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะควรที่จะภาคเพียรพยายามอุตสาหะรีบเร่งปฏิบัติเหมือนบุคคลที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะไฟไหม้ผ้าแต่ยังไม่เป็นพระโสดาบันทำเป็นชักช้าอีกเลยเฉ่แฉะไปเรื่อยถ้ายัางงี้ก็โหสาธุขอให้มันห่างๆกันหน่อยเราอยู่ใกล้เดี๋ยวมันจะติดเชือ้อ เอาโรคซาก็ยังกันไม่ให้เข้าประเทศเลยนะแล้วโรคไม่มีศรัทธาเป็นต้นนี่มันห่างๆกันไว้มดีที่สุดนี่นะเกิดเราไปเห็นด้วยเมื่อไหร่แล้วก็แยกแน่เดือดร้อนแน่ไปคนเดียวไม่พอฉุดกันไปอีกไงนเะนี่ยนต่อไปอีกคาถาหนึ่งพระองค์ตรัสว่าบุคคลใดสแสวงหาความสุขแห่งตนโดยไม่ยอมเบียดเบียนสัตว์เหล่าอื่นผู้ปรารถนาความสุขด้วยอาจยาบุคคลนั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมได้รับความสุข ตัวเองก็ต้องการความสุขสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขเมื่อเราต้องการความสุขเราจะเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้ต้องการความสุขไปทำไมนยะก็เลยตั้งมั่นอยู่ในความไม่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนด้วยอาจยาด้วยศาสตร์ด้วยอาวุธประสงค์จะให้สัตว์อื่นมีความสุขเนะเพราะเราเองก็เราปรารถนาความสุขไม่ใช่หรือสัตว์อื่นเขาก็ปรารถนาความสุขเมื่อเขาปรารถนาความสุขเราก็ปรารถนาความสุข เมื่อทั้งสองฝ่ายปรารถนาความสุขเช่นนี้แล้วเราจะไปเบียดเบียนเขาทําไมนะก็ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนเจริญคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมได้รับความสุขเพราะชีวิตในภพนี้ก็เป็นสุขชีวิตในภพต่อๆไปก็เป็นสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาสนาภาคยะเนี่ยนะก็เราว่าอยู่ในส่วนแหง่งบุญส่วนแหง่งกุศลอยู่ในส่วนแหง่ง คนงามความดีเอกฐาหนึ่งพระองค์ตรัสว่าบรรดาโคที่ข้ามแม่น้ำอยู่ถ้าโคจะฟูงวหว้ไปตรงเมื่อโคจะฟูงวหว้ไปตรงตร ง, ตรงวัวเหล่านั้นทั้งหมดก็ไปตรงฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลใดไ ด, ได้รับการสมมุติว่าเป็นหัวหน้า ถ้าบุคคล น, นั้นประพฤติ ธ, ธรรมคนอื่นๆก็ไม่ต้องกล่าวถึงเลยเพราะจะประพฤติ ธ, ธรรมเช่นเดียวกันกับหัวหน้าถ้าพระราชาตั้งอยู่ในธรรมชาวแว่นแควนทั้งปวงก็ย่อมอยู่เป็นสุขคือถ้าผู้นำเป็นผู้มีศีลคนรอบข้างก็จะกลายเป็นผู้มีศีลคนที่อยู่ไกลๆ ก, ลก็จะกระจายศีลกระจายคุณงามความดีกระจายคุณธรรมไปเช่นนี้นี่แหละเพราะว่าคนดีกับคนชั่ว จริงๆแล้วไม่คละกันแต่บางคนก็บอกคนนั้นก็ดีดีแต่ได้คนรอบข้างไม่ดีอย่าคิดนะว่าคนนั้นดีจริงเพราะว่าหน้าต่างของคนดีคนเลวเนี่ยนะดูจากคนรอบข้างคนรอบข้างบอกถึงว่านิสัยของคนนั้นอ่ะเป็นอย่างไรนะนะถ้า ถ้าคนรอบข้างเป็นคนขี้เมาเนี่ยนะก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ยชอบเรื่องเมาไม่ได้เห็นโทษของการเดิมเมาเมาเป็นต้นจริงๆเพราะฉะนั้นคนนั้นไม่ได้ดีจริงเพรันถ้าใครมีคนเลวเป็นบริวารแวดล้อมอยู่อย่าคิดว่าหัวหน้าดีถ้าใครมีกอกแต่คนข้างนอกมองแล้วเออคนนี้ทำไมเลวเหลือเกินแต่บริวารรอบข้างก็ไปมีแต่คนดีจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีเพมันก็บอกว่า ด, ดูจากผู้ที่เป็นหัวหน้า แค่กระยกว่าหน้าต่างของหัวหน้าก็คือคนแวดล้อมหน้าต่างของคนแวดล้อมธาตุแท้ของคนแวดล้อมก็ดูจากหัวหน้าเพราะว่ามันเสมอกันด้วยธาตุฝูงโคย่อมคละเคล้ากับฝูงโคฝูงกระบือก็คละเคล้าอยู่กับฝูงกระบือฝูงลิงก็อยู่กับฝูงลิงในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็อยู่กับธาตุแท้ของคนกลุ่มเหล่านั้นมันเสมอกันด้วยธาตุแท้ไงเนี่ เราบอกโอ้ยเมียน <it in> <way> ี <PR> ่ดีดีไม่เห็นกินเหล้าเมายาผัวนี่ขี้เมาเหลือเกินถามว่าใครซื้อเหล้าใครซื้อบุหรี่ให้อ่ะเมียนั่นแหละก็แสดงว่าทาตพอๆกันนั่นแหละเห็นด้วยด้วยกันนั่นแหละก็เห็นด้วยไปซื้อให้เขานั่นแหละนะทำแล้วถ้าไม่งั้นมันอยากกันตั้งนานแล้วแยกกันไปตั้งนานแล้วแสดงว่าพอๆกันนั่นแหละเห็นด้วยกันนั่นแหละอย่าไปว่าใครดีกว่าใครเลยเนี่ยนะยอมก็เล่าให้ฟังว่าร้อยละแปดสิบสามีที่ติดเหล้าเนี่เพราะภรรยาซื้อให้คำว่างั้น เมืองไทยเราเนี่ยนะภรรยาเห็นด้วยนะก็เลยไม่ได้หักห้ามไม่ได้อะไรเนี่ยนะอะไรนะได้ผัวที่เมาอย่าไปคิดว่าเราเนี่มันดีวิเศษอยู่คนเดียวเลยอยางนั้ น, นอาจจะพอๆกันนั่นแหละ <c oughs> เพราะว่าผู้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะหัวหน้าเป็นเช่นใดโดยมากบริวารก็จะเป็นเช่นนั้นมีความเห็นที่อะไรนะถ้าไม่ห้ามก็แปลว่าเห็นด้วยเนี่ยนะ สำคัญมากที่สุดเลยนะว่าหัวหน้าเป็นเช่นใดเนี่ยนะเราเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรขณะไหนเรามีนิสัยเป็นอย่างไรเนี่ยนะ <S 2> <S 2> สังเกตดูว่าตอนนี้เรานับถือใครเราให้คุณค่ากับผู้ใดนั่นแหละคือทาาแท้ของเราเนี่ยนะก็เรียกว่าท่าแท้ของคนใดก็อยู่ที่ว่าเรานับถือผู้ใดเราให้คุณค่ากับผู้ใดนั่นแหละคือท่าแท้จริงๆของเราเพราะฉะนั้นแต่ถ้าแต่ว่าทาามันแปลได้อย่างว่านะ อาหารก็ยังมีอาหารสุกอาหารดิบมันแปรสภาพได้ก็จะไปแน่นอนว่าหฉันเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่แน่นอนอมีอยู่คือสัมมตานิยามมิฉาตตนิยามเนี่ยนี่แน่นอนแต่ถ้ายังอื่นอ น, นิยตธรรมมาไม่แน่รอกนะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีอ่านะชื่อว่าเชตาวันเนี่ยนะนะเมืองสาวัตถี ในสมัยนั้นภิกษุเป็นอันมากทำจีวรกรรมถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจีวรอันทำสำเร็จแล้วจักเสดจจาริกในเวลาล่วงการผ่านไปสเดือนหมายความว่าออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าจะจาริกไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะมวลเวนัยสัตว์ทั้งหลายในสมัยนั้นช่างไม้สองคนชื่อว่าอิสิทตะและปุราะ ท่านทั้งสองคนเนี่ยเป็นพระสะกาทาคามีาน่นะทั้งสองคนนี้อาศัยอยู่ที่กรุงสาเกตด้วยทุระบางอย่างสองคนนี้เขาเป็นเป็นเป็นผู้ที่ดูแลใกล้ชิดพระราชาช่างไม้ชื่อว่าอิสิทัตตะและปุราณะได้ทราบข่าวว่าในยะว่าภิกษุเป็น จำนวนมากทําจีวรนกรรมถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีจีวรอันทําสําเร็จแล้วจักเสดจจาริกไปในเวลาล่วงการผ่านไป3เดือนเพราะว่าถ้าออกพรรษาแล้วถือว่าพระพุทธเจ้าจาริกแน่นอนทาพระภิกษุก็เลยเย็บย้อมจีวรเตรียมให้พระผู้มีพระภาคจาริกอันก็ได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะจาริกแน่นอนละ ทั้งนั้นช่างไม้ชื่อว่าอิสิทัตตะและปุราณะได้ตั้งบุรุษคนหนึ่งให้เฝ้าหนทางโดยสั่งว่านี่เนนายเอย๋ยเมื่อท่านเห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาท่านพึงบอกแกเราบุรุษนั้นก็ยืนเฝ้ารออยู่สองสามวันก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลขั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปหาช่างไม้ชื่อว่าอิสิทัตตะและปุราณะ แล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแลย่อมเสด็จมากในกาลนี้ท่านทั้งหลายจงควรตระหนักถึงกาลเวลาเข้าเฝ้าเถิดเพราะถ้าไม่เฝ้าวันนี้เนี่ยอดเฝ้าอีกหลายเดือนแน่เนนว่าได้เวลาเข้าไปเฝ้าแล้วครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่อว่าอิสิตัตตและปุราณะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วติดตามพระองค์ไปข้างหลังติดตามไปข้างหลังครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแวะออกจากหนทางเสด็จเข้าไปยังโคนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่พิสุ ป, ปูราถวายช่างไม้ชื่อว่าอิสิตทัตตะและปูราณนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ช่างไม้อิสิตัตะและปุราณะซึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าจาักเสด็จจาริกจากเมืองสาวัถีไปในแคว้นโกศลเมื่อนั้นความเศร้าส้อย เ, ส, อเ ส, อสียใจย่อมมีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจักอยู่ห่างไกลพวกเราโอ้ยแค่ได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะจากไปแค่นั้นฟังแล้วเศร้าเพราะั้นทาไมอ่ะเพราะว่าพระอริยบุคคลเนี่ยนะท่านไม่เบื่อหน่ายในการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ายินดีที่จะใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพอได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะจากแค่นั้นแล้วเราไม่สบายใจเลยะนไะมนี่เป็นพระโสดาบันเ็นพระสกะทาคารีแล้วนะ ที่อื่นก็บอกว่าผู้เคยเป็นพระสกะทาคามีมาก่อนก็คือท่านดํารงตําแหน่งพระสกะทาคามีเะนั้นพระสกะทาคามมได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะจาริกท่านบอกว่าท่านเศร้าส้อยเสียใจเลยไงเลยนะฟังข่าวนี่แหมเป็นข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับท่านเมื่อใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกจากเมืองสาวัตถีไปในแคว้นโกศลแล้ว เมื่อนั้นความเศร้าส้อยเสียใจย่อมมีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ห่างไกลพวกเราตอนแรกนี้ยังไม่ได้ฟังข่าวว่าจะไปนี่ก็เศร้าใจนะได้ฟังข่าวว่าไปจริงๆก็เศร้าต่อแล้วทาไมพระอาญา ก, ก็บอกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเลยทาไมท่านไม่พูดอย่างนั้น ก็น่าคิดนะเออก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจะไปคิดอะไรพระพุทธเจ้าจะมาพระองค์ก็มาพระองค์จะไปก็ไปก็แล้วแต่พระองค์เธออะไรก็สุดแท้แต่พระองค์เธ อ, เอนะบอกว่าผู้ที่มีศรัทธาเขาจะไม่พูดคําแบบนี้ความรู้สึกนึกคิดแบบนี้จะไม่มีโดยเฉพาะพระโสดาบันผู้เปี่ยมล้นไปด้วยศรัทธาะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ท่านผ่องใสคือพระรัตนติพพานถ้าท่านบอกมีความรู้สึกว่าพระองค์จาริก่ห่างออกไปท่านก็ไม่สบายใจเพราะนนั้นแม้กระทั่งว่า สมัยพุทธกาลเนี่ยนะท่านไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหลายเดือนเนี่ยท่านก็ไม่สบายใจเลยท่านปรารถนาจะเข้าไปเฝ้าอย่างคล้ายๆพระอนนท์เนี่ยนะท่านเข้าเฝ้าวันละสิบแปดครั้งท่านก็ยังไม่เต็มยังไม่พอใจเนี่ยนะอยากจะเข้าเฝ้าวขานั้นอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นแะะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายทราบข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจากเสด็จจาริกจากแคว้นกาสีไปแคว้นมคธ คือตอนอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าจากเมืองสาวัตถีมาแคว้นโกศลจากแคว้นโกศลไปแคว้นกาสีจากแคว้นกาสีมามคตโอ้จากสาวัตถีจากเมืองสาวัตถีมาสู่แคว้นโกศลแล้วมาพาราณสีและจากพาราณสีมาราชครืกเนี่ยนะมาแคว้นโกศลจากแคว้นนั้นะไปแคว้นวัดชีเป็นต้นโอ้มันห่างสาวัตถีเท่าไหร่ละมัห่างเป็นห่างเป็นเกือบพันเป็นพันกิโลเนี่ยนะ เมื่อห่างเป็นพันกิโลสมัยนั้นเนี่ยสมัยเดินทางเดินจริงๆริงะนะจะเรียกว่าจะเรียกว่าเท้าทางก็ได้เพราะเท้าต้องแตะทางทุกทุกนั่นแหะกว่าจะไปได้อย่างนั้นนะมันก็โอ้ยห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่แคว้นมคธโนนอย่างนี้น เ, นเมื่อนั้นความเศร้าส้อยเสียใจย่อมมีแก่ฆ้าพระองค์ทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะอยู่ห่างไกลพวกเรา เมื่อใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกจากแคว้นกาสีไปแคว้นมคธแล้วเมื่อนั้นความเศร้าส้อยเสียใจเป็นอันมากย่อมมีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ห่างไกลพวกเราเนี่ยนะนี่เรียกว่าฝ่ายเสียใจได้ข่าวว่าจากได้ข่าวว่าไปได้ข่าวว่าอยู่ที่ไกลก็ไม่สบายใจที่จริงแล้วถ้าถ้าศึกษาในพระไตรปิฎก อพระอริยส า, าวกเกือบทั้งหมดเป็นอย่างนี้หมดเลยที่เป็นพระโสดาบันกับพระสกท า, าคามีจะมีความรู้สึกแบบนี้ทุกท่านเลยเนี่ยนะ <c oughs> แต่ถ้าพระนาคามีไม่เสียใจแล้วเพราะเป็นเป็นผู้ที่กําจัดโทสะได้เด็ดขาดแล้วไม่มีต้นไม่มีอะไรที่จะทําให้ท่านเสียใจเนี่ยนะก <c oughs> <c oughs> ็คิดดูนะครับพระนรินได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้ามีลาให้ครั้งมากตอนที่ประนาง โคจะมีจับปรินิพานเนี่ยท่านก็เลิกไม่นานพระพุทธเจ้าก็จะปรินิพานฟังแค่นั้นแลท่านก็เสียวใละก็คืออะไรก็ตต่บอกว่าพระโสดาบันพระสกท า, าคามีเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะทําให้ท่านเสียใจนอกจากเหตุการ์เกี่ยวกับเรื่องพระรัตนตรายเพราะโดยมากถ้าบอกว่าท่านจะต้องห่างจากพระรัตนะตรายท่านเสื่อมจากการถวายทานการฟังทำ ก, การเจริญกุศลใกล้ชิดพระรัตนะตรายท่านถือว่าเรื่องนี้น่าเศร้าที่สุดนะนะฟังข่าวน่าเศร้ากว่าเศรษฐกิจซบสซาอีกหมอกัน อริยศัพย์ซบเสาวหมนกันฝ่ายตรงกันข้ามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจักเสด็จจาริกจากแคว้นมคดไปแคว้นกาสีเมื่อนั้นข้าเมื่อนั้นความยินดีพอใจย่อมมีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจักเสด็จใกล้พวกเราบอกใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้ว ตอนนี้มาถึงเมืองพาราณสีแล้วเนี่ยนะจากราชจะคลิกไปพาราณสีนี่ก็ต้องจากกวเป็นร้อยกิโลเนี่ยนะเดินทางก็เหนื่อยเลยแหละนั่งรถถนนอินเดียตอนนี้ก็หลังเมื่อยเลยแหละน่าจะสิบกว่าชั่วโมงไกลเหมือนกันไหเมื่อใดที่ข่าพระองค์ทั้งหลายทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจ า, ก, จากแคว้นมคธไปแคว้นกาสีแล้ว เมื่อนั้นความยินดีพอใจย่อมมีแก่ข้าพระองค์บอกว่าเมื่อใดพระองค์เนี่ยจากแคว้นกาสีมาสู่แคว้นโกสลแล้วก็ดีใจอีกได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าจากแคว้นโกสลมาสู่เมืองสาวัตถีแล้วเมื่อนั้นก็มีความยินดีพอใจย่อมมีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ใกล้พวกเรานะเมื่อใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ประทับอยู่ที่อารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีที่เชตวันเขตเมืองสาวถีเมื่อนั้นความยินดีพอใจเป็นอันมากย่อมมีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ใกล้พวกเราก็สมัยนั้นเนี่ยนะผู้ที่เขาเลื่อมใสรักพักดีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือพระอริยะทั้งหลายขนาดถึงว่าจะทําสงครามเพื่อแย่งอะไรพระบรมสารีริกธาเขาเอารักมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่า คือพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่ารักก็รักแหละเคารพปกเคารพนับถือก็นับถือแต่ว่าไม่มีอำนาจทําทอะไรกับพระองค์เลยได้แต่เรียกว่าอะไรนะได้แต่ความเคารพได้แต่ความพักดีได้แต่อะไรแต่ว่าทุกอย่างก็สุดแท้แต่พระองค์จะประสงค์เนี่ยนะเมื่อพระพระพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ได้รับฟังแบบนั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนช่างไม้เพราะฉะนั้นในาศาสนานี้าศาสนาคือในอธิสิน น่ะศาสนาหมายถึงคําสอนที่ประเสริฐประกอบไปด้วยอธิศีน์อธิจิตอธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาหรืออริยมรรเนี่ยนะการอยู่ครองเรือนเนี่ยเป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีคือราคะเนี่ยนะถ้าเทียบ ว, ว่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ า, าขนาดนี้เนี่ยถ้าบวชยังไงก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้ า, าไปเรื่อยใช่ไหมก็ไม่ต้องฟังข่าวคําว่าจากคําว่าพราก คำว่าอยู่ห่างอยู่ไกลเป็นต้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไปไหนก็เก็บบาตรเก็บบริขารก็สะพายบาตรสะพายบริขารตามพระพุทธเจ้าไปสิเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นยากอะไรเลยแต่เนื่องจากว่าคารวาดการอยู่ครองเรือนนี่มันแคบรานนั้นเป็นทางมาแห่งความแห่งธุรีคือฝุ่นละอองมีราคะเป็นต้นการบรรญชาเป็นที่ปลอดโปรง่ง ว่านะโล่งจะไปไหนก็ได้ไม่เห็นยากเลยนะจะไปอยู่พระพุทธเจา้าจะฟังธรรมเขาฟังกี่รอบไปชะเง้อชะเง้ออยู่ใกล้ๆใครมาเข้าเฝ้าขอไปฟังด้วยอย่างเงี้ยนะนี่ก็ไม่ยากแล้วเป็นคาราวาสจะไปทําอะไระจะอ่านพระไตรปิฎกนี่ก็ยากยากเลยนะพออ่านปับป๊บเปิดพระไตรปิฎกก็โทรศัพท์กริ๊งออกมาแล้วเนี่ยนะนะก็เลยที่แน่ๆก็พระไตรปิฎกเอาไว้ก่อนเนี่ยนะอะไยากเลยคับแคบพวกนั้นนะบอกยากง่ายมากพวกนะนั้นแนะนําให้ ก็ปลดสายปลดปิดเครื่องให้เรียบร้อยให้หมดแล้วก็อ่านว่าช่วงนี้ไม่ว่างจะรับแขกสามชั่วโมงองั้นเขาอยู่กับคาซ้อนซะก่อนง่ายจะตายไปจะทำหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะไม่ใช่อ่านค่าเวลารอใครโทรมาเข้ามาถ้าอย่างนี้ก็นแน่นอนและชัวร์สรุปว่าดูก่อนช่างไม้เพราะฉะนั้นก็แลท่านทั้งหลายไม่ควรจะประมาท ก, ก็รู้อยู่แล้วว่าคารวะนี้แคบ บัประชานี่ปลอดโปร่งเมื่อท่านรู้ว่าคารวะครับแคบอย่างนี้แล้วนะท่านไม่ควรประมาทน ะ, สะเสกเรียกว่าคําว่าไม่ประมาทก็คือหาช่องหาหนทางที่จะเจริญกุศลทำยังไงที่จะภาคเพียรเจริญกุศลได้มากได้เยอะได้บ่อยแล้วต่อเนื่องก็ต้องหาช่องหาโอกาสอะไรสละได้ก็ต้องสละเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอ้แอนนนก็จะเอาอันี่ก็จะเอาบุญก็จะเอาเอาหมดทุกเรื่องมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เหนื่อยตายสิเนี่ยนะช่างไม้ก็กราบทูลว่า ความคับแคบอื่นที่คับแคบยิ่งกว่านับว่าความคับแคบกว่าการอยู่ครองเรือนอันความคับแคบนั้นก็ยังมีอยู่พระเจ้าค่ะแม้มันมีเรื่องที่มันอึดอัดยิ่งกว่าเป็นคารวะเฉยๆอีกเหมือนกันพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนช่างไม้ความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่าและนับว่าคับแคบกว่าการอยู่ครองเรือนอันความคับแคบของท่านทั้งหลายเนี่ยคืออะไรอะไรมันจะยิ่งกว่าคับแคบกว่าการครองเรือน ช่างไม้ก็กราบชูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการใดพระราชาพระนามว่าประเซนที่โกศลพระองค์เนี่ยประสงค์จะเสด็จออกประาพาสพื้นที่อุทยานข้าพระองค์ทั้งหลายก็ต้องจัดช้างที่มอพอเหมาะควรแก่การประทับนั่งบนหลังของแด่พระราชาแล้วก็จัดให้มเหสีอีกสององค์ที่เป็นที่รักใคร่โปรดปรานของพระราชาข้างหน้าองค์หนึ่งข้างหลังองค์หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กแลกลิ่นแห่งมหสีเหล่านั้นก็เหมือนพระอบน้ําหอมที่ถูกเปิดออกในขณะนั้นและเหมือนราชกัญญาทั้งหลายผู้ประดับด้วยของหอมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลกกายสัมผัสแห่งมหสีเหล่านั้นเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายและเหมือนราชกัญญาคือนางกษัตริย์ทั้งหลายผู้ดํารงอยู่ในระความสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการนั้นข้าพระองค์ต้องรักษาช้าง ข้าพระองค์ต้องรักษามเหสีเหล่านั้นและต้องรักษาตนคือรักษาตัวเองเนี่ยนะเพราะหมายคาอว่าในสามอย่างถ้าช้างมีปัญหาเนี่ยแย่แน่ก็ลองช้างพยศดูสิคอขาดถ้ามเหสีโวยวายอีกอะไรจะเกิดขึ้นอีกก็เดือดร้อนอีกแล้วตัวเองจะต้องรักษาตัวเนี่ยนะถ้าเกิดไปวางตัวไม่เหมาะสมในตอนใดตอนหนึ่งก็หัวหลุดอีกเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบแต่ถึงอย่างนั้นนะ อกุศลจิตในมเหสีเหล่านั้นก็ไม่มีแก่ข้าพระ อ, องค์ไม่มีอกุศลจิตเข้าไปคิดไม่ดีเลยอันนี้แหละแม้มันอึดอัดมากเรียกว่าความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่านับว่าความคับแคบกว่าการอยู่ครองเรือนอันความคับแคบนั้นของนี้เป็นความคับแคบของข้าพระ อ, องค์ทั้งหลายแม้มันอึดอัดจริงๆเลยนะแต่ก็อย่าคิดว่าเนี่ยนะท่านไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสาระนะแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่จะต้องประกอบเพื่อการ ครองชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบุตรภริยาเป็นต้นไปท่านก็ไม่ได้ว่ายินดีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระเจ้าประเสริฐที่โกสลก็จะลองดูว่าไอ้ช่างไม้สองคนเนี่ยมันนับถือเรากับนับถือพระพุทธเจ้ามันนับถือใครกักนครั้งทั้งที่เราเนี่ยต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้รางวัลให้เรียกว่าแต่งตั้งให้ยศให้ตําแหน่งให้ทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะช่างไม้เนี่ยนับถือใครกักนวันหนึ่งก็ลองดูก็ ปกติแล้วเนี่ยถ้าพระเจ้าเปรตที่โกศลประทับอยู่ทางใดและพระพุทธเจ้าประทับอยู่ทางใดช่างไม้เนี่ยก็จะหันศีรษะไปทางนั้นทีนี้พระเจ้าเปรตที่โกศลจะลองดูซิว่ามันนับถือใครกกันก็เลยอยู่คนละฝักนะถ้าหมายก็ว่าถ้าเอาหัวไปทางพระพุทธเจ้าขานี่จะต้องไปทางพระเจ้าเปรตที่โกศลถ้าเอาขาไปทางพระพุทธเจ้าหัวก็ต้องผทางพระเจ้าเปรตที่โกศลตกวันนั้นพวกสองคนนี้ก็หัน ศีรษะไปทางพระพุทธเจ้าหันเท้าไปทางพระราชาเหมนกันบอกโอ้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่พักดีเลื่อมใสายของเนี่ยแม้กระทั่งว่าช่างไม้สองคนเนี่ยนะคือช่างไม้สองคนเขาเป็นพระอาริยบุคคลพระอาริยบุคคลนั้นมีศรัทธาเลื่อมสมั่นคงไม่หวั่นไหวในไม่เปลี่ยนแปลงในพระรัตนาตรัยนั้นแต่ก็เห็นว่าอาการอยู่แบบนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่ ครับแทบต้องคอยรักษาช้างคอยรักษามเหสีแล้วก็คอยระวังรักษาตนเพ่าถ้าเกิดว่าถ้าทํากิริยาที่ไม่เหมาะไม่สมคนเอามาฟ้องหรือคนร้องอะไรนิดเดียวนี้ก็คอขาดอีกแล้วเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นชีวิตที่อึดอัดเนี่ยนะเพราะนั้นคนที่ดูแลใกล้ชิดโดยเฉพาะพระราชาสมัยปกครองโดยอํานาจเบ็ดเสร็จแบบนี้ถือว่าอันตรายสูงมากแต่ก็ต้องก็แต่ ก, ตก็อย่างว่านะทุกอย่างมันก็มีอาสาธ่าอยู่ในนั้นนะโทษจะมากอาสาธ่าก็มี พระพุทธเจ้าก็ตรัสอีกว่าดูก่อนช่างไม้เพราะฉะนั้นในาศาสนานี้การอยู่ครองเรือนเป็นความคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลีคือราคะการบรนประชาเป็นที่ปลอดโปร่งดูก่อนช่างไม้ก็แลท่านทั้งหลายไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่คําเดียวว่าไม่ควรประมาทว่าเป็นอย่างนี้แหละอย่าประมาทนะหาช่องถาทางหาโอกาสที่จะเจริญบุญกุศลคุณงามความดีเอากันแล้วกัน ดูก่อนช่างไม้อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นพระโสดาบันเป็นผู้มีสภาพไม่ตกไปสู่อบายคือไม่ตกต่ำอีกเป็นธรรมดามีการบรรลุมักเบื้องบนสามในการละภายนาอย่างแน่นอนผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการอะไรบ้างดูก่อนช่างไม้อริยาสาวกในศาสนานี้เป็นผู้ได้สดับแล้วนะ ผู้ได้สดับก็คือผู้ที่เห็นอริยสัจแล้วเนี่ยประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนเรียกว่าเลื่อมใสไม่หวั่น ไ, วไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหรันต์ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารทีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำเนื้อทำสั่งสอนสัตว์เป็นต้นเนะก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยแต่ละคำเนี่ยท่านเอามาพิจารณาไคร่กรวนเป็นเหตุแห่งปีติและปราโมทย์ไม่ใช่น้อยต่อไป พระ arya รสาวกในศาสนานี้ผู้สดับแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ศึกษาได้และปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นธรรมที่ควร น, น้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมที่วินยูชนก็รู้ได้เฉพาะตน พระ arya สาวกผู้ได้สดับเห็นอริยสัจแบบนั้นก็ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติต rong แล้วปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติรำสมควรแก่ ก, การเคารวกราบไหวบูชาสักการะแล้วนั่นะคือคู่แห่งพระอริยบุคคลสี่คู่คณะเปรียงก็ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ท่านเหล่านี้นะถ้าเราจะจัดของต้อนรับถ้าจะรับแขกเนี่ยนะก็พระสงฆ์นี่แหละสมควรแก่การต้อนรับถ้าจะเอาของไปฝากใครผู้ที่คู่ควรของฝากก็คือพระอริยะสาวกเหล่านั้นนะเป็นผู้ที่ควรกราบควรไหว้ควรทําอัญเชลีถ้าจะทําบุญไปให้แก่ญาติทั้งหลายผู้ร่วงรับไปแล้วท่านเหล่านั้นก็เป็นเป็นผู้ที่ควรทักสีนาทานควรแก่การทําบุญอุทิศส่วนกุศล ท่านเหล่านั้นเป็นนาบุญของโลกเนี่ยนะระหว่าเป็นที่เพาะปลูกเป็นที่เพิ่มพูนแห่งบุญกุศลไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าขณะเดียวกันพระอริยาสาวกในาศาสนานี้ผู้ได้สดับแล้วย่อมอยู่ครองเรือนด้วยจิตที่ปราศจากมนทินคือความตรนีเป็นผู้สละขาดมีฝ่ามืออันเหยียดออกแล้วยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการจำเนกฐานไม่ทำการแบ่งแยกว่าบุคคลนั้นบุคคล น, น, น, นี้นะก็เรีมีจากะนะถ้าสูตรก่อนก็อะไรนะประกอบด้วยศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีอริยการตรสีนตรงนี้บอกว่าเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีใจยินดีในจากะตัดความตระณีออกไปได้ ดูก่อนช่างไม้อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นพระโสดาบันผู้มีสภาพไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีการบรรลุมรกเบื้องบนสามในภายหน้าอย่างแน่นอนดูก่อนช่างไม้ท่านทั้งหลายประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระพุทธเจ้า นะให้ติปิโสพระขวาอารังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นนั่นเองท่านนีเลื่อมใสจริงๆรและพวกท่านประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าสวาขาโตพระขวาตาธรรมโมเป็นตน้นท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์วสุปฏิปันโนพระขวัโตสาวกสังโฆเป็นตน้นขณะเดียวกันพวกท่านนะมีทายธรรมสิ่งที่ของควรทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในตระกูลสิ่งนั้นทั้งหมดท่านก็ไม่ได้แบ่งแยก กับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทั้งหลายดูก่อนช่างไม้ท่านจะมีความเห็นในข้อนั้นเป็นอย่างไรคนทั้งหลายในแคว้นโกศลที่จาแนกฐานเหมือนกับพวกท่านจะมีสักเท่าไหร่กระวะดีใจเธอว่าคนแบบกลุ่มท่านเนี่ยนะทั้งหมดในในแคว้นแคว้นโกศลแคว้นกาศีเนี่ยนะทั้งแคว้นนี่มันมีอยู่สักกี่คนที่เป็นผู้มีคุณธรรมเหมือนท่านเนี่ยมีสักกี่คนใ ช่างไม้ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงทราบภาวะอย่างนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์รู้รู้คุณตามความเป็นจริงอ่ะนะเป็นลาบเป็นการได้ของข้าพระองค์ทั้งหลายความเป็นมนุษย์อันข้าพระองค์ทั้งหลายได้ดีแล้วเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าบอกให้ชี้ให้เห็นว่า คนที่มีคุณธรรมเช่นกับท่านทั้งสองเนี่ยทั้งแควนเนี่ยจะมีสักกี่คนเพราะท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมท่านเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ไม่ตกตา่าเป็นธรรมดาเพราะท่านเป็นผู้มีอัจฉริยะศรัทธามัน่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วท่านมีปกติยินดีในการบริจาคยินดีในการสละยินดีในการให้มีใจไม่มีการแบ่งแยกในผู้มีศีลเลยคนแบบท่านจะมีสักกี่คน มันพอฟังคํานี้ก็บอกเป็นลาบของข้าพราะองค์ทั้งหลายก็ดีใจมากเลยนะถือว่าเป็นการได้ดีเป็นการได้ได้ที่ได้โดยยากในหมู่มนุษย์ทั้งหลายคนที่เป็นเช่นนี้จะมีสักกี่คนนะที่จะมีอริยะอ่าเรียกว่าจะมีอาจารยศรัทธาแล้วมีใจที่จะคะมองเห็นว่าทรัพย์ของเราก็คือทรัพย์ของผู้มีศีลทรัพย์ของผู้มีศีลก็เหมือนกับทรัพย์ของเราสรุปว่าทรัพย์ของเราที่มีอยู่ทั้งหมดก็คือของสาธารณะกับท่านผู้ มีเศษเนี่ยนะพันใครจะได้ดีขนาดนี้เพราะไม่มีใจที่น้อมไปเพื่อจะต t e r ีทีเหนียวห่วงแหนเลยในสำหรับท่านผู้มีศีลมีกาลยานธรรมทั้งหลายอันคนที่ได้ดีอย่างนี้จะมีสักกี่คนพันท่านก็เลยดีใจปลื้มใจมากเลยนะนะก็ดีใจเพราะว่าอันนี้เป็นความสุขของพระอรารยบุคคลทั้งหลายพระอรารยบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะอริยทรัพย์ท่านให้ความสาคัญมากกว่าโภกทรัพย์ คือท่านมองเห็นว่าพวกกระซับเนี่ยนะโภกทระซับคือแก้วแวนเงินทองเลือกสวนไรนะ่นาเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ยังต้องสาธารณะต่อไฟสาธารณะสาธารณะต่อลมต่อน้ําสาธารณะต่อการยึดเอาของคนทั่วไปเป็นสาธารณะของทายาทของผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเหล่านี้เป็นของสาธารณะต่อโจรเป็นต้น แต่อริยทรัพย์เป็นของที่ไม่สาธารณนะเมื่อไม่สาธารณะเนี่ยนะท่านแยกออกว่าอริยทรัพย์มีคุณค่ายิ่งกว่าโภอขทรัพย์เพราะสาระของโภอขทรัพย์ก็เพื่อให้มีอริยทรัพย์เอาโภอทรัพย์มาให้เป็นอริยทรัพย์เมื่อท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์อยู่แล้วท่านก็เลยดีใจเนี่ยนะดีใจว่าเป็นรากของเราทั้งหลายแล้วเป็นรากของข้าพระองค์แล้วความเป็นมนุษย์อันค่าพระองค์ทั้งหลายได้ดีแล้วของเราพูดคํานี้ได้บ้างหรือยัง ดูใช่อารหังเฉยๆอย่างนะี้นะถ้ายงไงก็ฟังแล้วเศร้าเลยนะแสดงว่าโอ้ยไม่มีทรัพย์เลยเนะี่ยหรือมีก็น้อยเต็มที่นะบอกว่าถ้าคนคนมีอะไรเนี่ยเวลานึกถึงสิ่งนั้นก็จะภูมิใจใช่ไหมก็ดูว่าถ้าเรามีศรัทธาแล้วก็ดีใจที่เราได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นบอกว่าถ้ายังทำบุญต่อไปเถอะเอาทาบุญน่นแปลว่าอะไรก็ทาจิตให้มันเป็นบุญต่อไปเถอะ จนกว่าจะมั่นคงหนักแน่นแล้วก็ให้จิตโคจรไปในคุณของพระพู้เสเจ้าบ่อยๆนะเจริญอิทิพิโสวัน ล, ลกี่รอบดีก่อนเขบอกโอ้สวดอะไรนะตามระลึกถึงคุณพระพู้เจเจ้าวัน ล, ละสามรอบหมาว่าเมื่อใดที่มันไม่มีรอบนั่นแหละจึงจะดีอ้ามแปลว่ามีพระทุคุณตลอดเวลาเลยจนไม่มีรอบอ่ะถ้ายังมีรอบอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ไม่พอนะก็ต้องจนกว่าไม่มีรอบแล้วนะก็เจใจก็ ไม่รู้ลหละจะไปเรื่องไหนก็มีพระธรรมตรายอยู่กับใจตลอดเวลาจนไม่มีรบอบถ้ายังห่วงรอบโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ทําต่อไปก็มีอยู่เท่านี้แหละถลิถลกแล้วได้ดีคนได้ดีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะผลปกติเนี่ยที่ต่อไม่ค่อยมีมีแต่เลิกสัส่วนใหญ่เนี่ยนะทำไมรู้ไหมก็ว่าอริยทรัพย์นี่ก็ไม่ใช่เป็นของที่คนที่มีความปรารถนาะมีความตั้งใจบอกว่ า, วา อริยทรัพย์คือสาระชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยอุทิศแต่อุทิศเพื่อสแสวงหาอริยทรัพย์เนี่ยนะสแสวงหาศรัทธาสแสวงหาการเพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนศีลเพิ่มพูนสมถาวิปัสสนาเพิ่มพูนคุณงามความดีเนี่ยนะคนที่มีอัธยาศัยกำหนดทิศทางให้ชีวิตของตัวเองชัดเจนแบบนี้มีไม่มาก นะมีไม่มากจริงๆนะนั้นไอ้ไอคนที่ไม่มากเหล่านั้นเนะี่ยเขาขอวา่าชนส่วนน้อยขอให้เป็นเราสักคนหนึ่งอย่างนี้ก็ยังชั่วนะใช่ไหมมันจะจะเอาอยู่กลนุนชนกลุ่มน้อยหรือชนกลุ่มมากก็ขออยู่กลุ่มในน้อยเนี่ยจะน้อยก็ช่างเถอะขอให้มันมีเหลืออยู่บ้างอนะนะไม่ใช่แต่ว่าถ้าชนกลุ่มมากเนะี่ยโอ้ปลาเขาก็อยู่กันเป็นฟุ้งๆเลยก็พวกมากไอ้อาจชัดเยียดนะนะว่าไม่ต้องอย่างนั้นรอกเนี่ยนะนะ คาที่กล่าวไปเนี่ยนะกล่าวที่ยกย่องคุณของศรัท ธ, ธาคุณของศีล น, นะเพราะว่าธรรมที่พ่องแผ้วหมดจดจากสังกิเลสนั่นแหละเป็นบุญนั้นการที่มีสุจริตสมบูรณ์ด้วยสุจริตไม่ตณีทีเนียว น, นะเป็นคนที่มีศรัท ธ, ธาเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าวาสนาหรือเป็นบุญอีกคาถาหนึ่งพระองค์ตรัสว่า พันอัตภาพในหมู่เทวดาและมนุษย์ได้มีแก่ข้าพระองค์อันนี้แสดงว่าพระรยาสาวกบางท่านกล่าวนะว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเป็นพันชาติเพราะถวายดอกไม้ดอกเดียวข้าพระพุทธเจ้าปรินิพานด้วยอปรยาอัปราปรยะกุศลกรรมที่เหลือเรียกว่ากุศลที่อื่นเป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นพระอรหันต แต่ว่าด้วยผลของการถวายดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยนะที่บูชามุ่งตรงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบุญมากบุญน้อยเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดที่วัตถุแต่เขากําจัดว่าเวลาที่ถวายดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยตัวกุศลจิตเกิดแค่ไหนนะกุศลจิตเหล่านั้นมีปัญญาประกอบไหมเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกเป็นปีติโสมนะหรือเป็นอุเบกข า, านะมีปุปพพะปุป ปุพระเจตนามุญจนาเจตนาอัปราปราเจตนาคุณภาพของกุศลเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรต่างหากเพราะตัวบุญไม่ใช่ตัวดอกไม้เนี่ยนะเมื่อไม่ใช่ตัวดอกไม้เขาแต่งจิตเป็นอย่างดีเมื่อแต่งจิตได้เป็นอย่างดีกุศลอันนี้ใครว่าอยู่ได้พันอัตภาพหมเขาว่าเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์เป็นพันชาติแล้วก็ด้วยผลแห่งกุศลเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะบรรลุอริยมรรคแต่สรุปอริยสัจเสร็จแล้วก็ปรินิพาน ั้บุญกุศลที่เกิดจากการถวายดอกไม้ดอกเดียวที่มุ่งอุทิศต่อพระรัตนตรัยอย่าไปคิดว่าบุญกุศลเหล่านี้เป็นของเล็กของน้อยนะอย่างอะไรนะปีตกะวิมานวิมานสีเหลืองอะนะที่ถวายดอกบวบผมดอกเดียวที่มุ่งอุทิศต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้ามีคุณไม่มีประมาณเมื่อพระองค์มีคุณไม่มีประมาณอย่าไปนับเลยว่าบุญที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์จะเท่านั้นจะ เท่านี้แต่ที่สาคัญว่ารู้จักพระพุทธคุณมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์จริงหรือเท่านั้นเองเนี่ยนะตรงเนี้ยที่ที่ต้องสังเกตแยกแยะว่าพระพุทธเจ้าในความคิดของเราคือใครเราทุกคาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปทุกแห่งก็มีแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในความคิดของเราคือใครกันแน่ามาไลา่ดูนะคือพระอรหรันตตรัสรู้ชอบได้ด้ดยพระองค์เอง พูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะพู้เสด็จไปดีแล้วเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็อย่างพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันอยู่แต่ถ้าบางทีก็เอาไปเอามาก็คนละองค์ไปแล้วก็ได้เนี่ยนะก็สมัยใหม่เนี่ยบางทีเออคุยเรื่องพระพุทธเจ้าแต่ว่ากลายเป็นคนละองค์ไปตั้งนานแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่น้อยแม้กระทั่งคุยเรื่องศีลขาถามศีลสมาธิปัญญาคุยไก่คุยมาเอาคนละเรื่องไปแล้วอย่างเงี้ยนะก็คุยเรื่องพระธรรมก็เหมือนกันเอาไปเอามาก็ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วอันนี้ยุ่งไปหมดเลยมันก็ต้องว่าเออของเรางเนี่ย มัมเพนบารมีสิบอุปบารมีสิบปารามัตต์รมีสิบองค์ที่ประสูติที่เมืองกบิลพัทตรัสรู้ที่พุทธคยาแสดงธรรมจักที่พาราณสีปรินิพานที่กุสินาราเป็นต้นเนี่ยนะอย่างองค์นั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าองค์ไหนก็ไม่รู้อย่างนี้มันคิดให้มันดีๆเหมือนกันนะบางทีอะไรนะว่าบางขำ่ำนีเหมือนกันนะจะเชื่อไหมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเอาไปเอามานี่คนละองค์ไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะเอกโซหนึ่งพระองค์ตรัสว่า ข้าพเจ้ามีสติเนืองเนืองนะก็คือพุทธานุสติได้สัญญาอันเป็นไปในพระพุทธเจ้าคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าจำแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าจําแต่คุณของพระพุทธเจ้าที่ต้นอัศจรรยกคือต้นโโถอันงอกงามมีรัศมีสีเขียวสดตั้งแต่กลับนั้นเป็นต้นมาบัดนี้เป็นกับที่สามสิบแล้วข้าพระข้าพเจ้าไม่รู้จักทุกคติเลยเพราะอํานาจแห่งสัญญานั้น เขาบว่าโลกนี้จําอะไรไม่ได้เขขอให้จําพระพุทธเจ้าได่องค์เดียวก็พอไม่ไปอบายสามสิบกลับดูสิเนี่ยนะว่าจําคนอื่นจําไม่ได้ลืมหมดเลยลืมลูกลืมผัวลืมทุกอย่างเลยจําได้แต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไปอบาย30สิกลับนั่นแหละแต่ถ้าจําพระพุทธเจ้าจําไม่ได้เลยจําได้แต่อย่างอื่นถ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้กี่กลับก็ไม่รู้นะและอะไรไม่รู้ตลอด30สิกลับเหมือนกันแต่ว่าอะไรล่ะครนี้ ให้ดีๆก็แล้วกันว่าใครควรจําใครที่จําแล้วก็ได้ดีนะฮะนอนใครแล้วจาแล้วตกต่าไปต้นเนี่ยนะมันก็เรียกว่าสามเสบกับไม่รู้จักทุกขติก็เนื่องจําพระพุทธเจ้าได้อย่างเดียวมันอย่าไปกลัวเลยโอ๊ยนี่นี่จะจำจำเนี่ยเอามันดีแล้วที่จําพระพุทธเจ้าได้แต่ไปจําอย่างอื่นได้ใช่ไหมว่าอย่างไงก็มีบางคนก็บอกโอ๊ยนี่ทําไมเจริญพุทธคุณมากขนาดนั้นทําไมพูดไม่กี่คําก็ทึกถึงแต่พระพุทธเจ้าก็ดีกว่าจําคำถึงคนที่กําลังพูดด้วยก็แล้วกันเห่างนั้น จำคนที่กําลังพูดด้วยดีไปดีเดี๋ยวอักุศลก็เกิดอีกแล้วเนี่ยจำพระพุทธเจ้าได้มันดีที่สุดแล้วเนี่ยนะแปลว่าใครจะขลังเท่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมกำลังโลภอยู่คิดถึงพระพุทธเจ้านี่ก็สางเลยกําลังโกรธอยู่นึกถึงพระพุทธเจ้าสักพักเดียวก็สางเลยพระองค์นี่ยาดีจริงจริว่างั้นพรางั้นก็จําพระพุทธเจ้าได้มันดีที่สุดแล้วเนี่ยนะใกล้เพื่อความพ้นทุกปัญหาถ้าลืมพระพุทธเจ้าแล้วอะไรจะเกิดขึ้น เขาบอกว่าด้วยอํานาจแห่งสัญญาการจําพระพุทธเจ้าได้นั้นวิชาสามข้าพเจ้าทําให้แจ้งประจักษ์แล้วเพราะผลของการจําพระพุทธเจ้าได้นี่แหละทําให้ระลึกชาติได้เป็นอันมากเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายในกติสุดก็แทงตลอดอริยสัตว์บรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกะทาคามีบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะการจําพระพุทธเจ้าได้นี่นะมันดีที่สุดดีจริงๆ อย่าไปกลัวเลยว่าเป็นสัญญาเห็นไหมต้องกลัวหรอสัญญามเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนั่นแหละไปกลัวสัญญาก็เท่ากับกลัวอะไรก็กลัวตัวเองนล่นแหละเห็นไหมบางคนว่าอุ้ยนี่มันสัญญาทั้งนั้นน่ะอ้าวก็ถูกแล้วสัญญามเกิดกับจิตทุกดวงโอ้นี่มันคิดเอาเอากับคนที่ไม่คิดก็คือคนตายเห็นไหมกับคนที่เข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นมีสองคนที่ไม่คิดคนที่เหลือมันก็มีจิตทั้งนั้นแหละแต่มันจิตชนิดใดในบรรดาจิต แ9บ้าหรือ121ปัญหามันจิต ร, ระดับต้นๆเ น, น, นี่ยที่ต้นๆระดับพิธามัตสังคหารนะ